ว่าด้วยองค์ของช้างต้นกินจุและของภิกษุฉันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นช้างกินจุขวางที่ขี้มากเป็นที่เต็มจำนวนนับถึงความนับว่าเป็นช้างทรง องห้าประการเป็นไนคือช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไม่อดทนต่อรูปหนึ่งไม่อดทนต่อเสียงหนึ่งไม่อดทนต่อกลิน่นหนึ่งไม่อดทนต่อรสหนึ่งไม่อดทนต่อโหทัพะหนึ่งดูก่อนที่สูทั้งหลายช้างของพระราชา ประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลเป็นช้างกินจุขวางที่ขี้มากเป็นที่เต็มจำนวนนับถึงความนับว่าเป็นช้างทรงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ฉันอาหารจุขวางที่นั่งนอนมาก เป็นที่เต็มจานวนนับถึงความนับว่าเป็นภิกษุทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปหนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียงหนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่นหนึ่งเป็นผู้ไม่อดทนต่อรสหนึ่ง เป็นผู้ไม่อดทนต่อโผฏฐะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ฉันอาหารจุกวางที่นั่งนอนมากเป็นที่เต็มจำนวนนับถึงความนับว่าเป็นภิกษุจบพัตตาทกะสูตรที่แปล สุดตันตะปิดกอังคุตตรานิกายปัญจกะนิบาศตติยะปัญ น, นาปราชวัตรที่สจักะสูตรว่าด้วยองค์คุณของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจั ก, กรพรรดิดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการ ย่อมทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้องค์ห้าประการเป็นไนคือพระเจ้าจั ก, กรพรรดิในโลกนี้เป็นผู้ทรงรู้ผลหนึ่งทรงรู้เหตุหนึ่งทรงรู้ประมาณหนึ่ง ทรงรู้จักการหนึ่งทรงรู้จักบริษัทหนึ่งดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้ ดูก่อนทิกสู่ทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทรงยังธรรมจักชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรมทีเดียวธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณะพรามเทวดามารพร หรือใครในโลกจะคัดค้านไม่ได้ทำห้5ประการเป็นไนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ทรงรู้จากผลหนึ่งทรงรู้จากเหตุหนึ่งทรงรู้จากประมาณหนึ่งทรงรู้จากการหนึ่งทรงรู้จากบริสัทธหนึ่ง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 หรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้จบจั ก, กรสูตรที่หนึ่งอนุวัตนสูตรว่าด้วยองคุณของพระสารีบุตรและโอรสพระเจ้าจั ก, กรพรรดิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชะโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพัททรงประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมทรงยังจักที่พระราชะบิดาทรงให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยธรรมทีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานมิได้ องห้าประการเป็นไนคือพระราชะโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจั ก, กรพัททรงรู้จักผลหนึ่งทรงรู้จักเหตุหนึ่งทรงรู้จักประมาณหนึ่งทรงรู้จักการหนึ่งทรงรู้จักบริษัทหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมทรงยังจักที่พระราชบิดาทรงให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยธรรมทีเดียวจากนั้นย่อมเป็นจักอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานไม่ได้ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลาย พระสาดรีบุตรประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยังธรรมจักชั้นเยี่ยมที่ตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเทียวธรรมจักนั้นย่อมเป็นจากอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครในโลกจะคัดค้านไม่ได้ ห้าประการเป็นไนคือพระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักผลหนึ่งรู้จักเหตุหนึ่งรู้จักประมาณหนึ่งรู้จักการหนึ่งรู้จักบริสัทธ์หนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระสารีบุตรประกอบด้วยทำห้าประการนี้แล ย่อมยังธรรมจักชั้นเยี่ยมที่ตถาคตให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบเที่ยวธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณะพรามเทวดามานพรหมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้จบอนุวัตตนสูตรที่สอง สุตรตันตะปิฎกอังคุตรานิกายปัญจากานิบาตตติยปัญ น, นาตราชวัคทีสีรา ช, ร ส, ราชสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเคารพ ร, รมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจั ก, กรพรรด พระองค์ใดแลผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาพระเจ้าจักพระพัดแม้พระองค์นั้นย่อมไม่ทรงยังจักให้เป็นไปณนะประเทศที่ไม่มีพระราชาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ใครเป็นพระราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าธรรมสิทธิภิกษุแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงสักการะเคารพนอบน้อมธรรมทรงมีธรรมเป็นทงมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในชนภายในอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรม เป็นพระธรรมราชาทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงศักการะเคารพนอบน้อมธรรมทรงมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในกษัตริย์เหล่าอนุยนคือพระราชวงศ์สารุวงศ์ ในหมูทหารพรามขรหาบดีชาวนิคมชนบทสมณะพรามเนื้อและนกทั้งหลายพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมมราชาพระองค์นั้นทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงสักการะเขารบนอบน้อมธรรมทรงมีธรรมเป็นทง มีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในชนภายในในกษัตริย์เหล่าอนุยนในหมูทหารพรามข้รืหาบาดีชาวนิคมชนบทสมณะพรามเนื้อและนกทั้งหลายแล้วย่อมทรงยังจักให้เป็นไปโดยธรรม จากนั้นย่อมเป็นจากอันมนุษย์ผู้เป็นข้าศึกใดๆจะต้านทานมิได้ดูก่อนภิกษุพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงสักการะเคารพนอบน้อมธรรม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 มโนกรรมเช่นนี้ควรเสภมโนกรรมเช่นนี้ไม่ควรเสภอาชีวะเช่นนี้ควรเสภอาชีวะเช่นนี้ไม่ควรเสภบ้านนิคมเช่นนี้ควรเสภ บ, บ้านนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสภอีิประการหนึ่งพระตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ในพวกอุบาสิกาว่ากายกรรมเช่นนี้ควรเสพกายกรรมเช่นนี้ไม่ควรเสพวจีกรรมเช่นนี้ควรเสพวจีกรรมเช่นนี้ไม่ควรเสพมโนกรรมเช่นนี้ควรเสพมโนกรรมเช่นนี้ไม่ควรเสพอาชีวะเช่นนี้ควรเสพ ชาชีวะเช่นนี้ไม่ควรเสภ บ, บ้านนิคมเช่นนี้ควรเสภ บ, บ้านนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสภพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาพระองค์นั้นทรงอาศัยธรรมนั่นแหละทรงสักการะเคารพ นอบน้อมธรรมทรงมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองที่เป็นธรรมในพวกภิกษุในพวกภิกษุณีในพวกอุบาสกในพวกอุบาสิกาแล้วย่อมทรงยังธรรมจักชั้นเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรม ธรรมจักนั้นย่อมเป็นจักอันสมณะปรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้จบราชสูตรที่สามยะส่ ที่สสูตรว่าด้วยองคุณของกษัตริย์และของภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชาผู้กษัตริย์ได้มรทาพิเศษแล้วทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการจะทรงประทับอยู่ณทิศใดๆก็เหมือนกับประทับอยู่ณรัฐของพระองค์เอง องห้าประการเป็นไนคือพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูรธาพิเศษแล้วในโลกนี้ทรงเป็นอุพาโตสุชาติทั้งฝ่ายพระมารดาทั้งฝ่ายพระบิดามีพระคันเป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษเป็นผู้อันใครๆจะคัดคานตำหนิ โดยอ้างถึงพระชาติไม่ได้หนึ่งทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีพระราชสัพย์มากมีพระรา ช, ชโภคะมากมีช้างและพระคลังบริบูรณ์หนึ่งทรงเป็นผู้มีกำลังประกอบด้วยจัตุรงคีนีเสนาผู้เชื่อฟังทำตามรับสั่งหนึ่ง ทรงมีปรินายกเป็นบัณฑิดฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันหนึ่งทำสี่ประการนี้ของพระองค์ย่อมยังพระยศให้แก่กล้าพระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมที่มีพระย์เป็นที่ห้านี้จะทรงประทับอยู่ณนาทิศใดทิดใด ก็เหมือนกับประทับอยู่ณรัฐของพระองค์เองข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าข้อนั้นย่อมมีสําหรับพระราชาผู้ครองรัฐอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจะอยู่ณทิศใดทิศใด ก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเชียวทำห้าประการเป็นไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมคถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเหมือนพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูลรธาพิเศษแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติฉะนั้นหนึ่งเธอเป็นพระหูสูตรทรงสุตะสะสมสุตตะ เป็นผู้ได้สะดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิเหมือนพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูรธาพิเศษแล้วทรงมั่งคั่งมีพระราชทชรัพย์มากมีพระรา ช, ชโภคะมากมีช้างและพระคลังบริบูรณ์ฉนั้นหนึ่ง เธอเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศละธรรมเพื่อยังกุศละธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศละธรรมทั้งหลายเหมือนพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูลรัาพิเศษแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยกำลังฉะนันหนึ่ง เธอเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเครื่องอยางเห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเหมือนพระราชาผู้ประเสริฐได้มโรัาพิเศษแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยปรินายกฉะนั้นหนึ่งทำสี่ประการนี้ของเธอ ย่อมบ่มวิมุตติให้แก่กล้าเธอประกอบด้วยธรรมมีวิมุตติเป็นที่ห้านี้ย่อมอยู่ณทิตใดทิดใดก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเที่ยวข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าข้อนั้นย่อมมีสำหรับทิกสุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนั้นจบ ยัสะทิสะสูตรที่สี่ปัถมะปัถนาสูตรว่าด้วยองคุณของพระราชโอรสองค์ใหญ่และภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มดรดธาพิเศษแล้วทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมทรงปรารถนาราชสมบัติองค์ห้าประการเป็นไนคือพระราชโอรสองใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มดรดธาพิเศษแล้วในโลกนี้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 ประกอบด้วยพระชวีวันผุดพ่องดียิ่งหนึ่งทรงเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระมารดาพระบิดาหนึ่งทรงเป็นที่รักเป็นที่พอใจแห่งชาวนิคมชนบทหนึ่งทรงศึกษาสำเร็จดีแล้วในศิลปศาสตร์แห่งพระราชาผู้กษัตริย์ ได้โมรธาพิเศษแล้วเช่นในศิลปาศาสตร์ในเพาะช้างมา้ารถหรือธนูหนึ่งพระราชโอรสองค์ใหญ่นั้นย่อมทรงดำริอย่างนี้ว่าเราแลเป็นอุพัโตสุชาติทั้งฝ่ายพระมารดาทั้งฝ่ายพระบิดา มีพระคันเป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษเป็นผู้อันใครใจะคัดคานตำหนิโดยอ้างถึงพระชาติไม่ได้ฉะนันเราจะไม่พึงปราถนาราชสมบัติเล่าเราแลเป็นผู้มีรูปสวยงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยชวีวันผุดพ่องดียิ่งฉไ น, นเราจะไม่พึงปรารถนาราชสมบัติเล่าเราแลเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระมารดาและพระบิดาฉไ น, นเราจะไม่พึงปรารถนาราชสมบัติเล่าเราแลเป็นที่รัก เป็นที่พอใจแห่งชาวนิคมชนบทไะนเราจะไม่พึงปรารถนาราชสมบัติเล่าเราแลเป็นผู้ได้ศึกษาสำเร็จดีแล้วในศิลปศาสตร์แห่งพระราชาผู้ประสัตได้มรธาพิเศษแล้วเช่นในศิลปศาสตร์ในเพราะช้างมา้ารถหรือธนู ฉไนเราจะไม่พึงปราถนาราชสมบัติเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มนตราาพิเศษแล้วประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แล่ย่อมทรงปราถนาราชสมบัติฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมปราถนาความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันธรรมห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้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 เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมหนึ่งเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก เป็นปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียรหนึ่งเป็นผู้ไม่อ้วอวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามเป็นจริงในพระาศาสดาหรือเพื่อนคมจันผู้รู้แจ้งหนึ่งเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม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 ฉไนเราจะไม่พึงปราถนาความสิ้นอาสวะเ่าเราแลเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟ่าสํสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลางควรแก่การบําเพ็ญเพียร ฉไนเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราแลเป็นผู้ไม่อ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามเป็นจริงในพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจันร์ผู้รู้แจ้งฉไนเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่า เราแหลเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศละธรรมเพื่อยังกุศละธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลละธรรมฉะนั้นเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราแหลเป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเครื่องอยงเห็นความเกิดความดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบฉะไหนเราจะไม่พึงปราถนาความสิ้นอาสวะเ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมปราถนาความสิ้นอาสวะ ปฐมปฐนาสูตรที่ห้าทุติยาปฐนาสูตรว่าด้วยองคุณของพระราชโอรสองค์ใหญ่และภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มรธาพิเศษทรงประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมทรงปรารถนาเป็นอุปราชองค์ห้าประการเป็นไนคือพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มรธาพิเศษแล้วในโลกนี้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 ทรงมีพระรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยพระชวีวันผุดผอมดียิ่งหนึ่งทรงเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระราชมารดาพระบิดาหนึ่งทรงเป็นที่รักที่พอใจแห่งกองทหารหนึ่งทรงเฉียบแหลมฉลาดมีปัญญา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 อันใครใครจะคัด้านตำหนิโดยอ้างถึงชาติไม่ได้ฉไนเราจะไม่พึงปรารถนาเป็นอุ ป, ปราชเล่าเราแลเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยชวีวันผุดพองดียิ่งฉไนเราจะไม่พึงปรารถนาเป็นอุ ป, ปราชเล่า เราแลเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระมารดาพระบิดาฉไ น, นเราจะไม่พึงปรารถนาเป็นอุ ป, ป ร, ราชเล่าเราแลเป็นที่รักที่พอใจแห่งกองทหารฉไ น, นเราจะไม่พึงปรารถนาเป็นอุ ป, ป ร, ราชเล่าเราแลเป็นผู้เฉียบแหลม ฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันฉไห น, นเราจะไม่พึงปรารถนาเป็นอุ ป, ปราชเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาผู้กษัตริย์ได้มรรธาพิเศษแล้วประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แล ย่อมทรงปราถนาเป็นอุปราชชั้นใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมปราถนาความสิ้นอาสวะชั้นนั้นเหมือนกันธรรมห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสิน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 ทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสีหนึ่งเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสีหนึ่งเป็นผู้ปราบลความเพียรเพื่อละ อ, ะอุปสนแลธรรม เพื่อยังกุศลละธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลละธรรมหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเครื่องยังเห็นความเกิดและความดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบหนึ่ง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 ไฉนเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราแหลเป็นพระหูสูตรทรงสุตะสะสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิไหนเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่า เราแลเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสี่ฉะนั้นเราจะไม่พึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราแลเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลลธรรมเพื่อยังกุศลลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคง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 ฉไนเราจะไม่พึงปรานาความสิ้นอาสวะเราดุก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมปรานาความสิ้นอาสวะจบทุติยปถนาสูตรที่ห สุปติสูตรว่าด้วยคนหลับน้อยตื่นมากห้าจำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนห้าจำพวกนี้ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีห้าจำพวกเป็นไนคือสตรีผู้คิดมุ่งถึงบุรุษหนึ่งบุรุษ ผู้คิดมุ่งถึงสตรีหนึ่งโจรผู้คิดมุ่งลักทรัพย์หนึ่งพระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีหนึ่งภิกษุผู้คิดมุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนห้าจำพวกนี้แล ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีจบอับปปสุปฏิสูตรที่เจ็ดท่านสาธุชนทั้งหลายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิดกได้จบลงแล้ว